แล้วก็ตาจะยังมองเห็นจะแสดงว่ายังสมบูรณ์ไม่มีอะไรแต่สิ่งที่มันจะไม่สมบูรณ์ก็ตามองไม่เห็นหูไม่ได้ยินเท้าเดินไม่ได้อันนี้ถือว่าพิการแต่ว่าหลวงพ่อก็ไม่ได้ผิการแต่ยังเดินได้นักศึกษาทุกคน ก็มีความสามารถเดินมาจากบ้านได้ไม่ได้เดินนะขึ้นรถมาเพราะว่าล้อได้หมุนแล้วเรียกว่าล้อมุนแล้วเมื่อล้อมุนรถก็ต้องไปสู่จุดหมายปลายทางแต่การที่จะไปสู่จุดหมายปลายทางได้นั้นก็ต่อเมื่อยางไม่แตกรถไม่ควา่า มันรถมีพร้อมไม่ใช่มีแต่น้ามันเบนซินโซล่าอย่างเดียวต้องมีน้ำมันเครื่องด้วยที่รถนั้นจะวิ่งตามถนนหนทางไปถนนหนทางนั้นก็จะต้องไม่ขาดไม่ถูกกระแสน้ำคัดขาดหรือไม่ถูกอันตรายต่างๆทำให้ถนนตัดขาดเมื่อพูดมา ถึงขั้นนี้เราก็จะรู้ได้ว่าการจะไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นต้องฝ่าฟันอุปสรรคเรียกว่าทุกอย่างต้องพร้อมอย่างถ้ารถขาดน้ำมันจะเรียกว่าขา ด, าววขาดพลังงานถ้าหากว่าขาดน้ำมันหล่อรื่นเครื่องจักรที่กำลังหมุนอยู่ ก็จะเกิดการเสียดสีเครื่องยนต์ก็พังไปาการ น, นที่เราเรียนสมาธิที่เราจะต้องเดินทางไปถึงจุดที่หมายก็คงเช่นเดียวกันแต่ว่าวันนี้เร า, เามาพูดกันถึงเรื่องอารมณ์ในหลักสูตรสมาธิ จึงต้องมีอารมณ์นี่มาเป็นหลักสูตรหนึ่งก็เพราะว่าอารมณ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับมนุษย์ถ้าหากว่าไม่มีอารมณ์สักอย่างเดียวแล้วเนี่ยทุกอย่างไม่มีอะไรสาเร็จสักอย่างเดียวแม้จะทั่งบวชพระถ้าไม่มีอารมณ์ก็บวชพระไม่ได้ทำสมาธิถ้าไม่มีอารมณ์ก็ ทำสมาธิไม่ได้เพราะว่าการสร้างสรรค์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยุคไฮเทคหรือว่ายุคไหนต้องมีอารมณ์เป็นเครื่องนาหน้าอารมณ์นี้จะเรียเป็นผู้ที่ใช้ความนึกความคิดในอารมณ์ของเราทั้งหมดเนี่ยต้องมีความนึกความคิดเช่นอย่างเขาจะใช้ไฟฟ้า ติดรฟฟ้าที่เราใช้อยู่เนี่ยเขาก็ใช้อารมณ์มาเป็นเครื่องคึ้และอย่างที่เขาจะสร้างบ้านเรือนเึ่นซักหลังเขาก็ต้องวาดภาพด้วยอารมณ์อารมณ์เป็นตัวที่นำว่าบ้านหลังนั้นจะอยู่ที่ไหนมนุษย์ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมาได้นะันน้นต้มีอารมณ์เป็นที่ตั้งอารมณ์ตั้งว่า ตั้งไว้ตั้งแต่แรกที่จะเกิดมาเป็นมนุษย์แม้ว่าจะมีจิตใจที่อมีจิตใจที่จะเข้ามาก่อปฏิสนธะกําลังจ่อที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์นั้นความคิดอของใจดวงนั้นได้คิดล่วงหน้าไปแล้วว่าจะไปเกิดเพราะฉะนั้นอารมณ์นี้เอง ทีื่อทำให้มนุษย์เกิดขึ้นมาในตระกูลต่างๆและอารมณ์นี้ที่จะทำให้ใจไปเกิดเป็นสัตว์ประหลานสุนัขสุกรหรือจะไปเกิดในที่ต่างๆอารมณ์เป็นผู้พาไปทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นอารมณ์จึงชื่อว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งของมนุษย์ ทุกๆคนเมื่อเป็นเค่นั้นอารมณ์จึงได้แบ่งออกสองอย่างเขาเรียกว่าการภาษาบาลีว่าอิทธารมณิทธารมณ์อารมณ์ดีและอารมณ์ร้ายอารมณ์มีสองอย่างเพราะฉะนั้นในอารมณ์นี้เองได้สร้างสรรค์ขึ้นมาและก็ในอารมณ์นี้เอง ที่ได้ทำลายสิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเราจึงได้เห็นที่มนุษย์ได้ผลิบ้านเรือนเรียกว่าประเทศชาติในตามเมืองต่างๆที่อยู่อาศัยแล้วก็มนุษย์อยีกเช่เดียวกันที่ไปคอยทำลายบ้านเรือนเหล่านั้นให้มันทังทลายไปด้วยรูประเบิด เมื่ อ, เ, อ, อเราทราบอย่างนี้เราก็จะเข้ามาถึงการทำสมาธิว่าอารมณ์เป็นประนามสมาธิได้อย่างไรถ้าเราจะย้อนกลับไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งปราถนาโพธิญาณว่าเราจะขอ อธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีอารมณ์เอาอะไรมาอธิษฐานหรือจะเอาดินน้ำหรือว่าจะเอาอะไรมาก็อธิษฐานไม่ได้นอกจากต้องใช้อารมณ์เป็นตัวนำทีนี้อารมณ์นั้นเมื่อนำพระพุทธเจ้าอธิษฐานแล้วพระองค์ก็กลายเป็นพระโพธิสัตว์เมื่อกลายเป็นโ พ, พธิสัตว์แล้ว นั่นก็บาเพ็ญบารมีต่างๆยกตัวอย่าง่นจะแม่กวนอินอย่างเงี้ยจะแม่กวนอินคือพอที่สัตว์องค์หนึ่งก่อนแต่ที่จะไปตั้งรูปเป็นพระพุทธเจา้าเจ้าแม่กวนอินก็จำเป็นต้องบาเพ็ญบารมีเอาอารมณ์เนี่ยมาเป็นเครื่องบาเพ็ญในที่สุดถึงที่สุดก็บรรลุสงความตั้งใจ ดังนั้นการที่เราจะให้อารมณ์เนี่ยมาเป็นสื่อตัวตัวสื่อที่จะให้เกิดสมาธิเราจึงต้องใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งแต่อารมณ์ก็บอกแล้วว่ามีทั้งสร้างสรรและมีทั้งทำลายดังนั้นเมื่อบุคคลทำสมาธิเริ่มต้น จะมีทั้งสร้างสรรและมีทั้งทำลายสร้างสรรคือการฉันต้องการทำสมาธิท่านต้องการบริกรรมพุทโธ ท, ที่จะให้ความเป็นหนึ่งเกิดขึ้นโดยการบริกรรมพุทโธนี่คือสร้างสรรใ น, ในขณะเดียวกันจิตเทวิปริ์ก็เกิดขึ้นมีความมีการแยกอารมจากพุทโธเนี่ย ไปเป็นอารมณ์อื่นเพื่อที่จะทำลายพุทโธเสียอารมณ์เหล่านั้นมันก็ไปเที่วเกาะเอ่ อ, อ, อตามแก่งต่างๆเพราะว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเราจะมีความนึกความคิดและมีการกระทบกระเทือนสารพัดที่จะกระทบกระเทือนเมื่อกระทบกระเทือนมาแล้วพอเวลาเรามาบริกรรมพุทโธมันก็ ชับจูงจิตของเราออกหนีหนีจากพุโทโธบอกแกอย่านึกนะเนี่ยดิสโก้ตรงนั้น้างตรงนั้นเขากำลังเออลองเพลงสนุกว่างตรงนั้นเขากำลังเออก็สุดอะไรก็เยอะแยะ ท, ที่ที่มันชักจวนใจก็แขวะออกจากนี้ไปแต่ว่าเมื่อเรา มีความตั้งมั่นตั้งใจอยากจะทำสมาธิเราก็ไม่เชื่อมันจะดิสโก้เราก็ไม่เชื่อมันจะไปอะไรจะจุกจะกีดเยอะๆเราก็ไม่เชื่อเราก็ดึงมันกลับมาเมื่อเป็นเช่นนั้นก็จงทำให้การทำสมาธิของเราเกิดสิ่งที่เรีย ก, กว่าสิ่งที่ต้องการเกิดขึ้นเราจะได้รับ สิ่งที่เราต้องการในเมื่อเราเกิดได้รับไยชนะเราจะได้สิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราต้องการนั้นคือพลังจิตจะเกิดขึ้นทันทีที่เราได้ใช้อารมณ์ที่ถูกต้องหมายถึงการบริกรรมดังนั้นเมื่อเราเริ่มวินาทีของการบริกรรม ในวินาทีนั้นเราเริ่มที่จะได้พลังจิตหรือเราเริ่มที่จะเข้าทางและอารมณ์ที่ถูกต้องและก็จะมาเป็นสมาธิในที่สุดด้วยเหตุนั้นเวลาที่พระไม่ใช่พระ ก, ก็ได้คี่เขาจะแสดงฤทธิ์ต่างๆนั้นเขาจึงต้องใช้อารมณ์เป็นเครื่องแสดงด้วยเหตุอย่างนี้ การที่บางคนที่ทำจิตได้ลึกซึ้งจนกระทั่งเข้าถึงฌานได้เ้าจะกลบหมดอารมณ์หมายความว่าเข้าถึงอรูปฌานไม่ใช่รูปฌานถ้ารูปฌานยังมีอารมณ์อยู่ถ้าอารูปฌานไม่มีอารมณ์อันนี้ก็คงจะได้อธิบายไปข้างหน้าแต่ว่าก็จะอธิบายตรงนี้ไว้เพื่อ เราจะได้ประดับความรู้ในอันดับแรกเมื่อคนที่เข้าไปในฌานเรียกว่าหมดอารมณ์อารมณ์หมดแล้วก็เหลือแต่อากาศอารมณ์หมดแล้วก็เหลือแต่ความรู้อารมณ์หมดแล้วก็เหลือแต่นิดหนึ่งก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหมดแล้วอารมณ์หมดแล้วทัยญางก็ไม่ใช่ไม่ใช่สัยญางก็ไม่ใช่ อันนั้นเเรียกว่าอารูปฌานถึงอรูปฌานแล้วทำฤทธิ์ไม่ได้จะทํายานก็ไม่ได้จะไปรักษาโรคใครไข้เจ็บใครก็ไม่ได้สบายแต่ผู้เดียวตัวเองสบายแต่ผู้เดียวเพราะฉะนั้นการทํำสมาธิได้รับผลจริงๆนั้นคือการทําอารมณ์ให้เป็นหนึ่งอันเดียวเรียกว่าหนึ่งเดียวคือเป็นระยะการที่ รวบรวมพลังจิตรวบรวมพลังจิตได้เยอะแต่พอเข้าฌานแล้วเนี่ยไม่ได้เท่าไหร่ถ้่อยู่ในสมาธิพลังจิตจะได้เยอะขึ้นเพราะฉะนั้นผู้ที่ ด, ดาเนินวิปัสนาในเวลานี้ไปที่นู่นก็สำนักวิปัสนาไปที่นี่ก็สำนักวิปัสนาไปที่ไหนก็วิปัสนาวิปัสนานั้นผู้ที่ต้องการ ที่จะพ้นทุกข์ไปโดยเร็วเรียกว่าไม่อยากอยู่ละโลกนี้อยากจะทําจิตนีห้หลุดพ้นไปเลยโดยเร็วจึงไม่เอาทู้ประชานเนี่ยเท่าไรเอาแต่พอเพียงว่าได้กําลังแล้วทําจิตให้มันลุกไปอันนั้นเรียกว่าสุขะวิปัสสโกสำเร็จเหมือนกันแต่ว่าไม่มีฤทธิ์ชที่ยใไทไม่ได้เหมือนกันกับ พระประเจกโพธิ์หรือเหมือนกันกับพระอรหันต์สุขาวิปัสสโกเป็นพระอรหันต์แต่ท่านทำอะไรไม่ได้หรอกดูจใจคนก็ไม่เป็นไม่มีพลังจิตพอที่จะช่วยสังคมต่างๆอย่างนี้เป็นต้นสำหรับการศึกษาสมาธิในสถาบันพลังจิตานุภาพที่กำลังเรียนกันอยู่นี่ หลวงพ่อเน้นหนักเรื่องสมาธิพระต้องการอยากจะให้นักศึกษามีฤทธิ์ถ้าหากว่าทั้งหมดที่ได้ศึกษากันนี้สามารถที่จะทำคือหมายความว่าสมาธิที่เป็นรูปฌปานเนี่ยให้มากเพราะว่ารูปฌปานนี้จะเป็นที่สะสมพลงังจิตเหลือเฟือ ให้เกิดการเหลือเฟือขึ้นเมื่อเกิดการเหลือเฟือขึ้นเนี่ยทำอะไรจะทำได้สมมติว่าสี่ร้อยห้าร้อยใจที่นั่งอยู่เนี่ยนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดร้อยสองร้อยสามรอยสี่ร้อยห้าร้อยอะไรอย่างเงี้ยห้าร้อยใจเราจะต้องเข้าใจว่าห้าร้อยใจนี่ไม่ใช่เรื่องเล็ก ห้าร้อยใจนี่มันเรื่องใหญ่มากมากทำอะไรเนี่ยถ้าหาพว่าห้าร้อยใจเนี่ยมันเกิดเอกระพาบขึ้นด้วยพลังจิตเอ่อเส้นเหล็กละลายเลยหุ้นก้อนหินก้อนละลายอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นไอ้พลังจิตนี่มันจะเกิดขึ้นเฉพาะที่เป็นรูปปฌานแต่ว่าถ้าเป็นอรูปฌานแล้วเนี่ย มันทำอะไรไม่ได้ทีนี้อยากจะพูดไว้อีกนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้อธิบายเกินเห่เกินความจำเป็นไปหน่อยเพราะเอเรื่องนี้มันต้องอธิบายข่าดหน้าแต่ว่าเมื่อได้อธิบายแล้วก็จะพูดให้ความรู้จหน่อยหนึ่งว่าการที่ทาจิตให้นึ่งหมายความว่าหมดความรู้สึกตัวเลยอันนั้นอ่ะพลังจิตได้น้อย ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ว่าสบายมากแต่ถ้าหากว่าเราทำสมาธิเนี่ยให้มีความสงบให้มีความสบายอยู่ในขั้นความสงบอันนี้พลังจิตจะได้ะจะมีมากเพราะฉะนั้นพวกที่เพลินวิปัสสนาพูดกันว่าพูดเรื่องวิปัสสนากันมากๆเนี่ยเขาจะไม่เอาไอ้ตรงที่เป็น รูปประชานหรือว่าการสงบงสมมาทินี่เท่าไรเอาแต่การพิจรนาแต่อันนี้จะอธิบายวเพียงเท่านี้ก่อนก็หันกลับมาพูดถึงเรื่องอารมณ์กันต่อหลวงพ่ออธิบายไปเนี่ยก็คิดว่าในข้อความ เ, ออเหล่านี้นักศึกษาก็คงอ่านกลับแล้วกลับอีกก็คงเข้าใจในเมื่อ หลวงพ่ออธิบายไปแล้วว่าอารมณ์เนี่ยเราจะต้องเข้าใจถึงว่าอารมณ์ที่อธิบายไปนั้นมันมีสองอารมณ์คืออารมณ์ดีและอารมณ์ร้ายแล้วทีนี้เมื่อเราทําสมาธิแล้วเนี่ยอารมณ์อันนี้เราถูกกันกรองลงไปหมายความว่าถูกกันกรองกันกรองด้วยอะไรกันกรองด้วย การกรองด้วยพุโทโธพุโทโธเนี่ยเป็นตัวกานกรองคือก่นกรองอารมณ์เนี่ยให้จากหยาบแล้วมาสู่ความพอดีๆและมาสู่ความละเอียดเะเรียกว่าการก่นกรองอารมณ์เพราะฉะนั้นเราอาจสามารถที่จะพูดได้ว่าที่เราทาสมาธิเนี่ยคือการ กรองอารมณ์อันนี้ให้ละเอียดเพราะการกรองอารมณ์ให้ละเอียดนั่นคือการกาจัดสิ่งที่มันไม่ไม่มีประโยชน์หรือเรียกว่าพวกพวกกากพวกกากต่างๆอย่างคนที่เขาจะร่อนทองเขาจะต้องร่อนหินหินนะมันไม่ใช่ทองแต่ว่ามันก็มาอยู่บนกับทอง ในบอ่อเนี่ยเช่นในในบอ่อทองคําอย่างเงี้ยเวลาที่เขาจะกรองเนี่ยเขาจะเขยา่าเขยา่าเขยา่าแต่คนโบราณเขย่าไปเขย่ามาให้ให้หินต่างๆเนี่ยทั้งหินทั้งทรายเนี่ยมันก็จะไหลหนีไหลหนีเพราะว่าไอ้พวกหินพวกทรายนีย่มันเบาวกว่าทองทองมันจะไปตกตะกอนเขาจะทำให้ต ะ, ตะแกรงแหลม แต่ตรงกลางนี่จะแหลมพอแหลมแล้วนี่เขาก็จะเอาเนี่ควักลงไปกลับทรายขึ้นมาทั้งหินทั้งทรายแกว่งไปแกว่งมาในน้ําเนี่ยแว่งไปแว่งมาไอ้พวกไอ้หินกับทรายเนี่ยน้ําหนักมันเบาวกว่าทองมันก็จะเดินไปตามน้ําแต่ทองเนี่มันหนักมันไม่ไปกับหินกับทรายหรอกแล้วมันก็ไปนอนอยู่ที่ก้น จะได้มากได้น้อยก็สุดแล้วแต่โชคของใครเพราะว่าหลวงพ่อตอนเป็นเนเนเนี่ยไปล่อนทองกับเขาอ่ะที่เมืองเลยอ่ะเขาบอกว่าอ้นั่นเขาทำอะไรกันบอกล่อนทองเดี๋ยวเนลรล่อนด้วยได้ไหมบอกว่าได้ไดมาเลยนุ่งขาวน้ําเสร็จก็ลงน้ําล่อนทองโอ้ยสนุกสนาน ั่นไปร่อนมามันเหลือทางนิดเดียวโอ้โหไอ้ขี้มันเยอะอย่างนี้เราก็มาคิดดูถึงว่าเวลาเราบริกรรมพุทโธเนี่ยในการบริกรรมพุทโธเนี่ยเดี๋ยวมันก็คิดบริกรรมพุทโธเดี๋ยวมันก็คิดบริกรรมพุทโธเดี๋ยวก็โยกไปโยกมาหายมันก็ไม่แน่แน่เมื่อมันเกิดไม่ความไม่แน่แน่ขึ้นเนี่ยก็หมายความว่า เราเจอแต่กากเราล้นกากออกไม่หมดพราฉะนั้นเราก็นึกพุโทโธของเราเรื่อยไปแต่พอนึกพุโทโธไประยะหนึงนี่เป็นระยะที่เสียหายก็คือว่าลืมพุโทโธเข้าภวังไปเล ย, อ, ยอันนี้คือระยะที่มันเสียหายแต่มันก็ไม่ใช่เสียหายอะไรหรอกเราต้องการที่จะให้จิตเข้าภวังอยู่แต่ การเข้ารวังของจิตน al ั่นเวลาที่มันกำลังจะเข้ารวังเนี wow. ่ยเราต้องถามผู้รู้เท่านั้นแหละว่าใครน่ะเป็นผู้ช่รู้ว่าจิตมันเข้ารวังเราต้องการตัวนั้นอย่างเนี้ยแต่ที่นี้มันไม่ท้นได้ถามมันเข้ารวังไปก่อนอย่างนี้เราจึงต้องให้จิตของเราเนี่ยเข้ารวังไปหลายหลายครั้งเมื่อจิตเข้ารวังไปหลายหครั้งเนี่ย มันก็จะรู้รู้วิธีคือรู้วิธีว่าไอ้จิตที่มันจะเข้าไปสู่ภวางเนี่ยลักษณะมันเป็นยังไงในที่สุดเราก็ต้องรู้ตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าเราไม่เข้าผวังในเวลาที่เราทำจิตเราก็จะไม่ทำนานตรงนี้เมื่อไม่ทำนานตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะจอยกับไอ้อภิสมันใจ ภาพจิมาำนึกนี่มันจะอยู่ในผวังเมื่อเวลาที่เราได้เข้าจิตเข้าไปสู่ผวังแล้วอย่างนี้ก็เข้าไปสัมผัสกับภาจิตมำนายแต่ว่าการเข้าไปสัมผัสเนี่ยมัน เ, เกิดไอ้ไอ้ตรงที่ก่อนที่จะเข้าเนี่ยเราไม่เกิดความชานาญเมื่อไม่เกิดความชำนาญแล้วเนี่ยก็ทำให้ เราเสียประโยชน์อย่างหนึ่งไปเพราะฉะนั้นการที่เราบริกรรมพุทโธหรือบริกรรมต่างๆเนี่ยมันจึงเป็นการกรองการกรนกรองให้ละเอียดการกรองจิตที่จริงนั้นน่ะคนที่บริกรรมนั้นไม่ใช่ใครอื่นหรอกก็คือจิตของเรานี่เองแหละยังไงอย่างนั้นเราต้องเข้าใจอย่างนี้ว่า ยิ่งละเอียดเท่าไรเนี่ยพลังจิตยิ่งเพิ่มตัวมากถ้ายังหยาบก็ได้อยู่พลังจิตแต่มันก็ยังไม่มากนักแต่ถ้าหากว่าจิตมันละเอียดลงไปเนี่ยยิ่งละเอียดแลกเข้าไปเท่าไรพลังจิตของเรายิ่ง เ, เพิ่มพูนมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นตัวอารมณ์เนี่ยเป็นตัวที่เราจะต้องศึกษาและเราจะต้อง ทำอารมณ์นี้ให้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งหมายความว่าถ้าจัด ก, การออกไปเหลือแต่ทองคําอย่างนี้เป็นต้นและทางที่เราจะทําให้เกิดความละเอียดนะักก็คือการบริกรรมบริกรรมพุทโธนี่แหละบริกรรมไปมันเกิดความละเอียดไปทีนี้พุทโธเนี่ยจะเป็นตัวที่นทําให้เกิดความรู้สึกความรู้สึกตัวเอาไว้เพราะว่า ถ้าเราปล่อยคำริกรรมเนี่ยมันจะหมดความรู้สึกตัวเข้าสู่ผวังแต่ว่าเราต้องการที่จะให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในรูปประชานเมื่อต้องการให้จิตอยู่ในรูปประชานเราก็ต้องพยายามที่จะกรองอารมณ์ของเราเนี่ยให้ละเอียดยิ่งขึ้นอันนี้คือสิ่งที่นักศึกษาทั้งหลายจะต้องเข้าใจ เข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนที่อธิบายมานี่ไม่ใช่เฉพาะที่จะต้องการให้นักศึกษาเข้าใจเฉพาะตนเองเท่านั้นยังต้องการที่จะให้เวลาไปอธิบายให้คนอื่นฟังนั้นมันจะได้เกิดความชัดเจนขึ้นว่าอารมณ์นั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะต้องขจัดมันไปรูปเดียวแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราจะต้อง การกรองด้วยพุโทโธเนี่ยให้ละเอียดอันนี้จะเป็นผลของสมาธิเ้าเรียกว่าในส่วนรูปประชานอย่างอย่างมากเพราะฉะนั้นในฌานสี่เาเรียกว่าอารูปประชานสี่จะจะระดับให้ฟังว่ารูปประชานสี่นั้นปฐมฌานคืออะไรมีองค์เท่าไหร่ว่าวิตตกวิจารณวิติสุขเดชกขตามีห้า ภูติยะชานมีเท่าไหร่มีสามกัดวิโสวิจารออกเหลือเอติสุขเอจากคตานี่ที่เรียกว่าทูติยะชานภาติยะานนั้นมีองค์สองคือสุขเอกักคตาแต่ตุติชานก็มีองค์สองอีกที่เรียกว่าอุเบกขาเอกักคตาเราสังเกตดูให้ดีว่า ทั้งสี่ฌานนี้มันจะมีคําว่าเอกคตตาอยู่ท้ายทุกฌานพระโสมฌ า, า, านก็มีเอกขัตตาทุติยฌานก็มีเอกคตตากติยฌานก็มีเอกคตตาจะตุถิฌานก็มีเอกคตตาเอกขัตตาคืออารมณ์เดียวนี่ต้องจําอย่างนี้เพราะฉะนั้นรูปประฌานก็คืออยู่ที่อารมณและผู้ที่จะแสดงฤทธิ์ได้ ต้องอยู่ที่จะสุจรานอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ก็คงจะพอแล้วหมดพลังแล้วแล้วครางนี่มันีดังไปวะก็สุขันเช่นโกสันครับนมการหลวงพ่อครับติดอยากจะเป็นถามว่า ที่จะเข้าสู่ผวังกับจุดที่จะเข้าสู่พลังอำนาจนี่เป็นจุดเดียวกันหรือเปล่าครับอ่าไม่ไม่ใช่ที่เดียวกันหรอกแค่จุดที่ผวังนั่นแหละคือว่าผวังนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยลึกนักอย่างเราขึ้นรถไปม่วงๆหน่อยเข้าผวังไปแล้ว อย่างเวลาที่เรานอนถ้าหากว่ามันเหนื่อยหนักหนาเนี่ยล้มหัวก็เข้าฟังไปเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจิตเนี่ยพอใต้จังหวะคือสงบสักนิดนึงเนี่ยจิตจะเข้าฟังไปเลยแต่ทุกพลังอำนาจนั้นต้องพร้อมรไปพร้อมด้วยพลังนี่ละไวจ้จะอธิบายทีหลังนี่ครับขอบคุณครับนะต่อไปขอเชิญ คุณสุทีราภรณุเทพากุลคนบางคนนั่งสมาธินะคะสามารถมองเห็นอดีตชาติของตัวเองหรือว่าอนาคตเนี่ยจริงรู้เท็จและพระอาจารย์เคยมีประสบการณ์ทางด้านนี้หรือเปล่าคะบางคนนั่งสมาธิเห็นอดีตชาติหลวงพ่อมีประสบการณ์ไหม ก็ม well, um e. ีแต่ประสบการณ์คนจะบาพูดได้ว่าเมื่อใชอยู่ก็หลวงพู่มั่นท่านบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยเกิดที่เมืองสุสินาราไม่เชื่อเธอลองไปดูสิตรงนั้นมันมีคูนาหน่อยๆแล้วก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งว่าเงโอ้ไปเทไรไอ้พวกตัวเนี่ยพอเดินออกจากนอกสนนตามไปวิ่งกลับมา เราก็ไม่สามารถจะไปดูบ้านเก่าเราได้ที่หลังมาเลยตัดสินใจไม่ไปกับตัวไปเองเดินไปก็ไปเจอมองดูเขาบอกว่ามีต้นมะม่วงสามต้นแล้วก็มีบ้านร้างอยู่หลังหนึ่งแล้วก็มีบึงนาำไม่กว้างนักแต่ว่าไอ้พี่ต้นมะม่วงเนน่ะมันจะเป็นเนินว่างั้นก็ได้ไปสังเกตดู ก็ใกล้เคียงว่าใกล้เคียงกันแล้วกันแต่คงไม่กล้าพูดมากกว่านี้ขอไปขอเชิญคุณผนพรเพรมฤทัยตามน้ำหักการอาจารย์ผมมีสิ่งที่อยากจะเรียนถามว่าปัญหาเริ่มต้นจากการนั่งสมาธินั้นครั้งแรกนั้นนั่งไะเป็นสมาธิดีปรปยะแรก ถ้าไปนั่งไปนานๆาๆนานเข้าชักสมาธิชักไม่ค่ดียังไม่ทราบว่าจะแก้ไขการปฏิบัติอย่างไรน่ะหอเข้าใจแล้วเพราะว่าพอเริ่มต้นครั้งแรกไม่รู้สึกว่าดีมากมากขึ้นมาเพราะต่อมานี้ชักจะไม่ค่อยดีขึ้นอันนี้คือการทำสมาธิเนี่ยก็เหมือนกับรับประทานอาหาร เพราะว่าสมาธินี้มันจะมีการแสไลายตัวเป็นข้างข่าวเมื่อเวลาทาเกิดขึ้นเกิดความสบายนั่นตอนนั้นพลังจุดพอพอเกิดความสบายแล้วนี่ต่อมาเนี่ยสมาธิอนั้นมันคงสลายตัวไปแล้วก็กำลังจะทำขึ้นมาใหม่แต่การทำขึ้นมาใหม่นี้ก็จะต้องดีกว่าเดิม ก็หมายความว่าในตอนแรกนี่เราอาจจะสบายแค่นี้พอทำๆไปแล้วนี่แต่ในขณะที่ทำก็คงหมายความว่าจะหลายวันก็ได้ทีนี้ก็ต่อมาก็จะมาดีขึ้นมาอีกพอดีขึ้นมาอีกนี่มันก็จะดีกว่าเกา่าสมาธินี่เอ่อคือการมันมีการสลายตัวได้แต่พลังจิตนี่มันเทีเยบเ่ากับพลังหลักนี่มันสลายตัวไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่ มันเกิดสมาธิไม่ค่อยดีมาที่หลังนี่ก็ไม่ต้องเออทำให้รอกใจหรือว่าเสียใจอะไรแต่นั่นคือกำลังเพิ่มกำลังเพื่อที่จะทำให้เกิดสมาธิในขั้นต่อไปเดชผลก็เป็นอย่างนี้ขอผูกคุณคะอะไปขอเชิญคุณปัญญาปัญญดิโลกพงขอการบัพชารวจใจครับ นั่งสมาธิไปสักพักนึงแล้วจะมีความรู้สึกว่าจะก้มมากครับไม่ใช่ว่าจะแก้ยังไงครับเออเวลานั่งแล้วมันเกิดการก้มขึ้นกลก้มลงกล้มลงอ่าอันนี้เราแก้ไขได้ด้วยการอขยับตัวได้คือ ท, ทำความรู้สึกว่าทำไนกล้มลงเนื่องเพรา ะ, เ, ะเรื่องของจิตเนี่ยพอเป็นสมาธิเขาแล้วเนี่ยมันจะปล่อยวางร่างกาย คือหมายความว่าทำสมาธิาใจเรื่อยๆเรื่อยๆพ อ, อเรื่อยเข้าเรื่อยขอเอยข้าเนี่ยมันจะมีการในละอุปทานพอละอุปทานแล้วก็เราก็ไม่รู้สึกทางร่างกายเมื่อเป็นเช่นนั้นร่างกายมันคงจะไปในวิธีการต่างๆที่มันไปได้นั้นก็จำเป็นต้องแก้ไข ถ้าหาความจะกลมไปแล้วก็ยึดตัวขึ้นมาใหม่เห็นแน่ว่ามันจะเสียสมาธิจะบ้างเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าจําเป็นต้องยึดตัวขึ้นมาใหม่เ อ, อต่อไปขอเชิญคุณพุทธศรวันนะพงศ์ถามนามาตระการพาจารย์นะคะ เ, เมื่อกี้ที่สังทํงาทำาจารย์ฮได้ได้ได้สอนนะครับเกี๋ยวกับเรือกการทําสมาธิเนี่ยทำให้ใจเนี่ย มีความสบายแล้วก็มีความสงบให้มากที่สุดนะแต่ทําให้มีพลังจิตมากเนี่ยถ้าเกิดเราเราทําทําไปเนี่ยคือเราคือจะต้องทําให้หมายถึงว่าทําจิตเนี่ยเป็นตัวควบคุมติตตลอดเวลาใช่หรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราหลับไปก็คือการเข้าระวังใช่ไหมฮะแล้วก็ทําให้พลังจิตเราได้ได้น้อยเป็นการที่ผมคิดอยงนี้ใช่หรือเปล่าครับก็ถูกแล้ว เพราะว่าก่อนเข้าพวังไปมันก็คล้ายๆาะว่าอจิตมันไปอยู่ในฌานถ้าเป็นสมาธิก็ถือว่าอยู่ในฌานก็เหมือนตัวผลที่จริงแล้วผลเกิดขึ้นจากสมาธิที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสมาธิที่มีผลมากมีความรู้สึกตัวอยู่มีสติอยู่แต่ว่าไม่นึกคิดไป ไ, ปไหนมีความ สงบมีความสบายอยู่ระยะชั้นหนึ่งระยะหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิก็คือว่าการทำจิตนี้ให้มีความสงบและรู้ตัวอยู่อันนั้นแหละเป็นส่วนที่ได้ผลมากแต่การเขาเฝ้ววาวังนั่นก็มีผลทำให้เกิดการํำนานขึ้นมาอีกแค่นิดหนึ่ง ก่ไปขอเชิญคุณพัชรีึ้งบิริไทรศาลตามน้ำเสการพระอาจารย์นะคะที่จะขอถามว่าในการที่ทำสมาธิหรือเดินจงกรมเนี่ยค่ะในขณะที่เวลาเราทำงานอย่างเช่นทางานในในเวลาทำงานอย่างเช่นทำงานบ้านนะคะเราสามารถที่จะบริกรรมพุทโธไปด้วยได้หรือไม่คะ เ, เราทำงานนี่ บริกรรมได้แต่ว่าก็เป็นระยะระยะที่พอเหมาะพอดีไม่ใช่บริกรรมตลอดไปเป็นระยะพอเหมาะพอดีที่เราจะว่าจะเป็นเวลาที่เร า, เราทําได้แต่ถ้าหากว่าบริกรรมไปตลอดเวลานี่มันจะทํางานไม่สะดวกแล้วอย่างเช่นเวลาเดินมาทํางานเนี่ยค่ะเราจะเดินจงกรมมาด้วยอ่ะคะ่ะ อันนั้นก็เยอะกว่าขยันมากได้ใช่ไหมคะแต่ว่าก็ได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ยังไงก็ตามเราอย่าไปทําให้มันแย่คนอื่นก็ <laughs> แย่เหมือนคนอื่นก็จะนึกว่โทรไปด้วยแต่กระโดดไม่คนอื่นนะค่ะได้ค่ ะ, คะแต่ว่าจะแวะซื้อของนิดนึงแล้วก็มาเดินต่อก็ได้เช่นกัน <laughs> ใช่ไหมคะก็ะได้นั้นเยอยกว่าขยันสุดยอด <laughs> การขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะต่อไปขอเชิญทีติปุสวรรค์กาบน้มัสการพระอาจารย์ก็ค่ะคำถามที่จะถามก็เกี่ยวกับเรื่องการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาพิเศษแล้วก็การแผ่ส่วนกุศลนะคะคือทราบว่าการที่เรานั่งสมาธิก็จะเ อ, อมีอนุสง์อนิสงก็คือได้ผลบุญ ทีนี้ก็บางทีก็คิดว่าเราทํานิดเดียวแต่เราก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลให้คนตั้งมากมายนี้ก็มีท่านผู้รู้ก็บอกว่าสัามผัสกันนะคะว่าเขารู้ว่าฝ่าแต่เขาก็าพูดว่า <c oughs> ถ้าแผ่อะไรเยอะแยะอย่างเนี้ยเดี๋ยวอืมคือบางทีเราแผ่ส่วนกุศลเราก็แผ่ให้อ่า เทวดาแปลตอะไรอย่างเงี้ยมากมายเขาบอกว่าถ้าแถลเยอะอย่างนี้เดี๋ยวก็มาอยู่ข้างตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเออมาอยู่ข้างตัวหน้าตัวไม่ให้มันามาอยู่รอบจะดี <c oughs> <c oughs> อ่าเ น, นี่ประเด็นไปการิ้งไม่เพียงเพียงเนั้นหรือว่าการแผลส่วนติสนเนี่ย เป็นเรื่องของจิตใจที่ก็เหมือนกันกับคนที่เขามีเงินเขาก็คงจะต้องมีวิธีการด้วยการที่บริจาคให้แก่ใครต่อใครก็คงไม่มีปัญหาอะไรเหมือนการแผรส่วนกุศล น, นั้นเกิดขึ้นจากใจต้องการที่จะให้ความดีของเรานี่แผ่กระจายไปถึงผู้ที่กลังประกได้ยาก คนที่จะมารับส่วนเกินเนี้ก็ร้วมก็คงจะจบสุได้ยากแต่ส่วนเทวดานั่นนะเราก็แพ้ไปแต่ว่าเทวดาก็คงจะรับฟังไม่รับฟางเพราะว่าเขามีความสุขอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่การที่เราแพ้ส่วนเกินมากเข้าจะมีพวกเหล่าปีมาอยู่ใกล้ๆเรานั่น เป็นไปไม่ได้พระมีอยูนน่ก็ยิ่งจะออกไกลกว่าตัวเราเจอรัศมีของคนที่มีพุนเนี่ยพวกผีเข้ามาใกล้ไม่ได้อ่ะเนอกันคือบางคนเนี่ยบางคนที่ว่าเหมือนกันกันกบเปรตสับีก็กไม่อยู่ใกล้ๆอันนั้นคนมันแน่สติดใจมันอ่อนหรือว่าจิตใจหรือว่ากังวลมากไปอ่ะพอกังวลมากไปที่นี้ มันก็เลยเหมือนกันกปลว่าผีมาอยู่ใกล้เราที่จริงมันไม่ใช่มันเป็นความกังวลของใจมากกว่าอย่างที่หลวงพ่อไปนั่งมาที่ครั้งแรกเราก็ไปเดินจงกรมพอเดินจงกรมแล้วก็ไปเดิ น, น, ด น, น, ดนในปา่าท่าพุทว่าเราจะลองดูใจของเรากล้าแค่ไหนก็ไปเดินไปเดินมาโอ้โหเอกรสันมายืนอยู่ยข้างๆเราก็ ลีตามมองไปนิดหนึ่งแ้่มันก็สูงขึน้นเดินไปเดินมาหลีตาไปอีกนิดหนึ่งก็สูงขึ้นอีกสูงขึ้นสูงขึ้นเออในใจหนึ่งคิดว่าจะวิ่งหนีกับกุตติตอนนั้นยังตึเงเน้นอยู่แต่ถ้าหากว่าหนึ่งวิ่งหนีกับกุตติมันก็จะต้องวิ่งไล่เราอ่ะแล้วเราจะทํำยังไงดีอ่ะแล้วก็จะอายเพื่อนถุง ด, ด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดินไปเดินมาสะกดจิตให้ดีแล้ว เดินเข้าไปหาตัวมันเลยที่ไหนได้เป็นหัวตอ่อแม่เข็ดหัวตัอเองจะตายเพราะว่าไอ้บางทีเนี่ยไอ้ความกังวลของใจหรือว่าไอ้ยินโนชยินอะไรนัเาเรียกกันบางทีมันคิดม า, มากมันก็เลยกลายเป็นผีที่ถึงไม่ไอ่ะเป็นหัวตอ่อตอ่ต่อ เราคุณปุรมดาอาธิษฐพิมพงศ์กราบนมัสการพระอาจารย์นะคะจิตอยากจะกราบเรียนพระอาจารย์เพราะว่าจิตได้ปฏิบัติตามพระอาจารย์มานานหลายปีนะคะเป็นจิตพระอาจารย์มานานโดยทางร้อยสองจุดห้านะคะแล้วก็ปฏิบัติมานานจนขณะนี้ไม่รสร้างจิตกระทำพระอาจารย์ได้หรือเปล่า เพาเดี๋ยวพระอาจารย์จะบอกว่าอถามมาหน้าเออนะคะเมื่อเมื่อจิตปฏิบัติมาหลายหลายปีเดี๋เมื่อกี้ที่พระอาจารย์พูดเรื่องเรื่องเตยนะคะใครใครตะใครก็บอกว่าเห็นผีแต่เกิดมาในชีวิตจิตไม่เคยเห็นผีจิตก็อยากจะเห็นแต่มันไม่เคยเห็นแล้วจิตก็เคยไปนั่งในป่าช้าแล้วก็อธิษฐานให้เห็นไม่เคยเห็นเลยอ่ะแล้วต่อไปค่ะ ต่อไปเมื่อปฏิบัติ เ, เมื่อปฏิบัติไปก็ถึงจุดจุดหนึ่งที่จะเท้าความไปถึงมีน้องคนหนึ่งเมื่ออาทิตก่อได้ถามถึงว่าพระอาจารย์เมื่อปฏิบัตินั่งสมาธิแล้วมีความสุขอย่างไรจิตก็อยากจะบอกน้องๆโดยโดยส่วนตัวถ้าถ้าเขาอยากจะรู้นะฮะว่ามันมีความสุขอย่างไรด้วยการนั่งสมาธิแต่วันนี้จิตก็อยากจะเรียนหลวงพ่อให้ทราบว่าจิตปฏิบัติมาจนถึงจิตกำพึงกับตัวเองว่า <M> <obscure> นี่ไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราค่ะมันเบาจนไม่มีตัวเราค่ะ <cep> แล้วก็เพราะมันไม่มีตัวเราแล้วมันคืออะไรมันคืออะไรก็ใครเป็นคนรู้ว่าเราจะต้องถามต่อเราว่าเนี่ยเป็นคนรู้ว่าไม่มีตัวเราเนีไม่มีจริงเนี่แต่มันต้องมีคนรู้อยู่คนหนึ่งก็ถามไปถึงตัวคนนั้นก็จะเจอจุดสาคัญ That's i m p o r t a